พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะสันสนีนาคพง์กับรายการสรนสนีสนทนามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาท่านไปพบกับการปฏิบัติธรรมกับท่านผู้อำนวยการหลักสูตรีเรนวัดป่าดอนหายสูุดอนธานีรามหาภัยบูรณอภิปุณโณรายการนี้เราให้ท่านฝึกปฏิบัติกันทางอากาศเลยนะคะเอาไว้มีโอกาสเหมา ะ, มาะแล้วก็ค่อยไปเข้าคอร์สปฏิบัติกัน ยังก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ามีกี่ท่านที่ได้ติดต่อกลับไปถึงการเดินทางร่วมกับคณะของเราที่จะไปสังเวชนียสถานในระหว่างวันที่12ถึงวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้ถ้าได้ไปก็ได้ไปพบกันนะคะไปปฏิบัติธรรมร่วมกันตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันเหมือนกันภายใต้การนำของท่านเพริบูลต่อจากนี้ไปเลยค่ะกลับน้มสักการะท่านคะ่ะเชิญปอนเรามาเริ่มการปฏิบตัติธรรมโดยการที่ให้เรามาระลึก ถึงลมหายใจของเราทําไมเราถึงจะต้องมีการปฏิบัติธรรมแต่เพราะว่า น, นี่เป็นวิธีการที่จะทําให้เกิดความเข้าใจในทางคําสอนของพระพุธทธเจ้าทําไมจะต้องทําให้เกิดความเข้าใจในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่านั้นจะเป็นวิธีการที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ให้มีความสุขในชีวิตของเรามากขึ้นจิตใจที่มีธรรมะเนี่ยเวลาได้ยินเวลาเห็นสิ่งใดแล้วลมันก็จะมีความสุขอยู่ในภายในเนืน่องจากธร ร, รมะที่มีอยู่ในใจเราจะเอาธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้ ไม่ใช่ว่าแค่เราทรงจําไว้ในหัวสมองหรืออ่านผ่านทางตาทรงจําได้ทรงจําไว้ในสมองนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่การที่จะนําธรรมะจากสมองหรือจากหูที่เราฟังมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ใจได้ในวิธีการนั้นก็คือการตั้งสติขึ้นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแต่เพราว่าเวลาที่เรามีการตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยจะมีการทําในใจโดยแยบกายในการตั้งสติขึ้นเกี่ยวกับการทำในใจโดยแยบายแกาตตก ย, กใใ ย, ย, ายตรงที่ว่าเราจะมีความไม่ประมาท สตินั้นคือความไม่ประมาทการทำในใจโดยแยบกายคือการเพ่งพิพพจารณาไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันคือเรื่องเดียวกันนั่นเองการที่เราตั้งสติขึ้นคือการที่เราเอาใจมาจดมาเจาะ อ, อยู่กับสิ่งได้สิ่งหนึ่งซึ่งเครื่องมือที่เราใช้นี่ก็คือลมหายใจของเราอยาเวลาที่เราเอาใจของเราเนี่ยมาเจาะ อ, อยู่กับลมการกระทําตรงนี้ไม่ใช่บังคับนะแต่เป็นการควบคุมให้ใจของเรามาระลึกถึงลม การบังคับถ้าเราบังคับจิตให้มันไม่คิดหรือบังคับจิตให้มันคิดเนี่ยมันจะปวดหัวแต่ในการการะทําตรงนี้เราไม่ได้บังคับจิตแต่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการที่จะให้จิตของเรามาตั้งอยู่ที่นี่บังคับนี่ก็ไม่บังคับในสุดตรงข้างหนึ่งแต่อีกสุดตรงข้างหนึ่งก็งงคือปล่อยให้จิตมันปล่อยปละละเลยไปตามความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่ไปสุดตรงอีกข้างนั้นแต่ให้มีการควบคุมในลักษณะที่ว่าเวลาที่เรามีความคิด เวลาที่เราได้ยินเสียงเราก็อย่าลืมลมลมหายใจและจิตส่วนหนึ่งที่มันมาคอยระลึกจ่อไว้อยู่กับลมเนี่ยอันนี้คือการที่เรามาเพ่งเฉพาะนะอยู่ซึ่งลมหายใจมาเพ่งเฉพาะอยู่ซึ่งจิตที่มันไปตั้งไว้อยู่กับลมนะกลารกระทําตรงนี้จะทําให้สมาธิเกิดขึ้นการกระทําตรงนี้จะทําให้มีการพิจารณาจะทําให้มีการใกร่ครวญธรรมจะทําให้มีความเข้าใจในธรรมะหมวดต่างๆให้เข้าสู่ไปในใจของเราได้ เวลาใจที่มีธรรมะความเข้าใจในเรื่องคําสอนของพุท ธ, ธะมันก็จะดีขึ้นมากขึ้นและเป็นกระบวนการที่จะเพิ่มสิ่งที่เป็นกุศลลดสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลออกไปจากใจของเราในจุดที่เราจะมาระลึก ร, รู้ถึงลมหายใจนั้นก็คือตําแหน่งที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าปริมุ ข, ขังคือทางเข้าทางออกของลมตําแหน่งนี้อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในโพรงจมูกนั่นเองเราจะดูก็คือ จุดที่มันเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้กลิน่นอยเวลาที่เราดมกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารได้กลิ่นของหอมหรือลของเหม็นก็ตามเนี่ยเราดมแล้วรู้แล้วไอ้จุดรับกลิ่นมันอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นบริเวณนั้นแหละเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนอยู่ตั้งอยู่ที่นั่นเวลาที่เรามาดูก็ใช้จุดนี้เป็นประมาณไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงว่ามันจะต้องกี่ตารางเซนติเมตร หรือเข้ามาเท่านี้จากปลายจมูกแต่ให้เป็นประมาณเฉยๆแต่ซึ่งสัมบัติตรงนี้บางทีมันอาจจะแรงบ้างอาจจะเบาบ้างแต่ให้จิตของเราตั้งอยู่ที่นี้เพราะมันเป็นธรรมชาติในเวลาที่จิตของเราเนี่ยมีสติตั้งขึ้นแล้วเนี่ยเราเอามาใส่อยู่กับลมใช่ไหมสติมีกําลังมากขึ้นมาขึ้นเนี่ยไอ้พัสาต่างๆมันก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงล ง, ลงเวลาที่จิตมีกําลังมากขึ้นสติมีกําลังมากขึ้นจิตนั้นก็จะค่อยรวมลงรวมลง เวลาที่มันรวมลงรวมลงมันก็จะเล็กลงแหลมกคมขึ้นไอ้ความแหลมคงความเล็กลงของจิตตรงนี้บางทีมันทําให้สัมผัสที่เราไปรับรู้ถึงลมเนี่ยมันเล็กนิดเดียวทําให้บางครั้งเหมือนกับว่าไม่ได้มีสัมบัติของลมหายใจเลยแต่มันก็อ่อนเบาน้อยนิดเดียวแต่ถ้าเราสังเกตดูจริงๆเนี่ยมันจะยังมีอยู่แต่เปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราใช้แว่นขยายหรือว่าเลนส์นูนเนี่ยในการรวมแสงพระอาทิตย์เนี่ย เราปรับจุดรวมแสงจุดโฟกัสให้ดีให้มันเล็กนิดเดียวจ า, จากที่มันใหญ่ให้มันเล็กนิดเดียวเนี่ยพลังงานตรงนั้นมันจะมากสามารถที่จะเผากระดาษจุ๋ยวไม่เกี่อะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันจิตของเราตั้งสติขึ้นไว้อย่างนี้แล้วผัสสะต่างๆอ่อนแรงลงจิตรวมกันรวมกันพื้นที่ที่เข้าไปรับรู้ถึงสม บ, บัติของลมหายใจนั้นจะน้อยนิดเดียวแต่บางครั้งแทบจะรู้สึกไม่ได้เลยซ้ําจิตที่เป็นอย่างนี้คือจิตพิธเป็นสมาธิละ จิตที่เป็นสมาธิล่ะเรารักษาจิตตรงนี้ไว้ให้ดีพระบรุตรเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เขาเอาหม้อหรือบาต ท, ที่ใส่น้ํามันเต็มปรีเลยเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องคอยระวังไม่ให้น้ํามันหรือของที่มันอยู่ในภาชนะนี่มันกระชอกออกไปแต่เช่นเดียวกันพอเราได้สมาธิตรงนี้แล้วจิตเป็นลมมันเดียวแล้วลมแผ่วเบา ล, ลงไปแล้วแล้วเราไม่ต้องไปทําให้มันแรงขึ้นมาอีกแต่แต่ค่อยประคับประคองให้ดีแต่จะเปลี่ยนท่า จะลืมตาจะลุกขึ้นไปทำบริยบดใดๆก็คอยประคับประคองจิตอันเนี้ยให้ตั้งอยู่ให้ดีแต่ประคับประคองนี่ก็คือทางตั้งสติเอาไว้ให้ดีนั่นเองแต่เราฝึกเราฝนเราทำไปทำไม่มีความต่อเนื่องในขณะที่นั่งหลับตาด้วยในขณะที่เดินลุกขึ้นฝึกไปอย่างนี้จะทําให้สติของเรามีกําลังมีความก้าวหน้าไปในทางปฏิบัติได้นั่นเองจฉลิมพันนกลูกค่ะนะคะก็ฝึกกันไป สร้างเหตุถูกต้องผลย่อมเกิดขึ้นแน่ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะคิดว่าไม่ใช่แต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นพัฒนาการนนที่ก้าวหน้าขึ้นใช่ น, นี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคือถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่แหละแต่ถ้าคุณสร้างเหตุถูกยังไงมันก็ได้เปรียบเทียบกับถ้าบอกว่าเราไปรีดนมต้องการนมสดใช่ไหมเราก็ไปรีดนมวัว แต่ไม่ใช่รีดจากพ่อวัว น, นะรีดจากแม่วัวคือคือแม่โคนมเนี่ยนะแล้วก็ <c oughs> ไม่ใช่ตัวที่มันไม่ท้องนะก็ตัวที่เพิ่งคลอดลูกด้วยถ้าเราไปรีดนมจากแม่โคลูกอ่อนเดี๋ยยังไงถ้าเราหวังว่ามันคงไม่ได้หรอกแต่มันก็จะต้องได้เนื่องจาะเราสร้างเหตุได้อย่างถูกวิธีไม่ว่าเรจะคิดว่าจะได้จะไม่ได้มันก็ต้องได้แ่ละถ้าเราทำเหตุถูกวิธีนั่นเองค่ะเดี๋ฉันจำอีกพุทธพจน์หนึ่งได้ที่ส่งอุปมา เกี่ยวกับเรื่องของการคันมเมล็ดงาใช่ไหมคะใช่ใช่ซึ่งดิฉันเองก็ไม่เคยคิดนะคะว่าคั้นไปคั้นมาจะมีน้ำมันงาออกเพราะดูเหมื อ, อนกับว่าคิดไปไม่ถึงนะค ะ, มะเมล็ดงาเล็กแค่นั้นจะคั้นให้ออกมาได้อย่างไรใช่หรือเรื่องของช่างใช่ไ้มคะที่บอกว่าจับ อ, อุปกรณ์ในการก่อสร้างเนี่ยแล้วก็ค่อยๆสึกลงเป็นอุปมาในเรื่องเดียวกันคะใช่ใชอ่อุปกรณ์ของช่างไม้ ในบริกรของช่างไม้อันนี้อันนี้จะเป็นมาคนรับพระสูตรถ้าเรื่องของอที่รีดนมวัวก็จะมาด้วยกันกับเรื่องของการคั้นน้ํามันจากเมล็ดงาที่บดเป็นเยื่อดีแล้วใช่ไหมเราผมน้ำไปนี้ก็จะได้นะในอุปมาอุปมาที่สองในพระสูตรนี้เขาชื่อว่าภูมิช้าสูตรเนี่ยอันแรกคือรีดนมวัวใช่ไหมอันที่สองคือคั้นน้ํามันจากงาที่ปั่นเป็นเยื่อแล้วอันที่3มก็คือทําเนยคือถ้าเราเอานมเนี่ยมาใส่ผงหมักคือยีส หรือผงหมักชนิดหนึ่งของนมเนี่ยนะเราก็กวน<ะ>กวนกวนกวนกว น, กวนไปเนี่ยยังไงคุณก็ต้องได้เหนื่อยอันนี้กันที่3แล้วก็อันที่4ที่มาในพระสูตรเดียวกันก็คือสีไฟาจากไม้แห้งก็จะต้องได้เปลวไฟเกิดขึ้นอันนี้มีอุปมาอุปไมยอยู่สอย่างส่วน <Okay. S 1> ในเรื่องของอุปกรณ์ของช่างไม้นะที่มันจะมีรอยสึกรอยสึกไปเนี่ยอันนี้จะมาในอีกพระสูตรหนึ่งแตคนละที่กัน oh. แต่ก็จะเป็นเรื่องรา<ะ>วเดียวกันนั่นเอง แต่เป็นเรื่องราวเดียวกันก็คือสร้างเหตุเกิดผลอย่างที่ดิฉันได้พูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ช่างไม้เพราะดิฉันประทับใจมากนะคะหเหมือนกับว่าเออเราก็ไม่เคยสังเกตเนาะว่าไม้แข็งๆใช่ไหมคะส่วนใญ่ด้ามเนี่ยด้ามค้อนด้ามขวานเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้เป็นวัดสดุแข็งๆใช่แต่มันมันสึกนะเราไปดูในพิพิธภัณฑ์เนี่ยบางอันเนี่ยสึกงอนเข้าไปเลยอใช่ใช่ หรือดูได้จากตัวเราเองก็ได้เช่นรองเท้าของเราเนี่ยรองท้าของเราเรานใส่ไปสักปีสองปีมันสึกแล้วมันต้องไปเปลี่ยนส้นหรือเปลี่ยนคู่ใหม่แต่ต้นนั้นที่เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าวันนี้มันสึกเท่านี้วันนี้มันสึกเท่านี้แต่มันก็สึกไปสึกไปเไปไปตามกระบวนการของมันค่ะมีคำถามค่ะทั้งคะคุณผานุมาตรท่านนี้ก็มีคาถามคาใจอยากรู้มานานแล้วว่าการเป็นผู้พิพากษาตัดสินคนผิด หรือการเป็นอายการฟ้องคนผิดเนี่ยบาปไหมแต่เราไม่ได้มีเจตนาให้เขารับโทษทั้งที่เขาไม่มีความผิดแต่เราทำตามสำนวนที่ตำรวจทำมาแล้วผู้พิพากษาที่ตัดสินประหารชีวิตนี่บาปไห ม, มจะถือว่าการทำงานสายอาชีพนี้เป็นการสร้างกรรมให้แก่ตัวเองไหมหากเป็นการสร้างกรรมจะมีวิธีแก้อย่างไรโอเคเอาวิธีลเรื่องอที่ว่า ตัดสินคนผิดเนี่ยหมายถึงว่าเขาผิดจริงๆแล้วคุณตัดสินว่าเขาผิดหรือว่าจริงๆแล้วเขาถูกแต่ว่าคุณตัดสินผิดดิฉันเข้าใจว่าเขาคงพูดในกรณีที่ตัดสินไปตามเนื้อผ้า <Okay. S 2> ที่กระบวนการชั้นต้นส่งมามใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเออเราอาจจะเคยตัดสินคนโดยเขาไม่มีความผิด ร่มันผิดมาตั้งแต่ต้นในการที่บิดเบือนกันมาตั้งแต่ต้นหรือเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่ต้นค่ะอันนี้ก็คือเอาถ้า worst case เลยก็คือว่าเขาชงเรื่องมาสํานวนจากตํารวจมาเนี่ยมันผิดมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมแล้วอายการก็ชงเรื่องต่อมาที่ศาลใช่ไหมก็ทำตามสานวนตํารวจใช่ปะล่ะตำรวจเขาก็ชงเรื่องมาอายการทำตามสํานวนตํารวจผู้พิพากษาก็พิพากษาตามเรื่องที่อายการเขาชงมาเราก็ตามเนื้อผ้านี่ มนน่าจะผิดอะไรแต่มันผิดมาตั้งแต่ตรงตารวจนู่นแล้วถึงเวลาการตัดสินตรงนี้การทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยไม่เป็นเจ้าของการตัดสินผิดตรงนี้เราได้รับบาปแน่นอน่คือมันบาปแน่นอนถึงแม้ว่าเขาเจะช ง, ะงเรื่องมาถูกก็ตามนะอันนี้เป็นบาปเพราะเพราะว่ามันกระบวนการเราอยู่ในกระบวนการของความเป็นบาปกระบวนการของความเบียดเบียนกันดฉันเข้าใจว่าเหมือนกับ จริงๆแล้วถ้าเราเคยศึกษาเรื่องของกรร ม, มว่าต้องมีองค์ประกอบเหมือนกฎหมายเนี่ย น, นะคะ อ, อ, องค์ประกอบคือเรื่องของเจตนาออทางผู้ตัดสินคดีเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเราไม่ได้เจตนาแต่เราทําตามกระบวนการที่เราก็ไม่รู้ว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้นก็เป็นบาปอยู่ดีท่านกําลังบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะม ค, คือหมายความว่าถ้าถ้ า, ถาเรารู้ว่าจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าหลักฐานมันไม่มี ในนี่คือประเด็นที่มาไปจริงนะคือเรารู้ว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่น่าจะทำอย่างนี้นะแต่หลักฐานมันไม่มีเพราะอะไรก็เขาส่งหลักฐานมาให้แบบนี้หลักฐานมันมาเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่เรารู้นะว่าจริงๆมันเป็นอย่างอื่นเราคิดว่าจริงๆมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าหลักฐานก็มาเป็นอย่างเนี้ยคนนี้จะต้องรอดคนนี้จะต้องโดนเราก็ทําไปตามอันนี้คือเราเรารู้ว่ามันผิดแต่เราก็ต้องทำเพราะหลักฐานมันมีแค่นี้เนี่ยอันนี้คุณก็ต้องรับใบ อยู่ในกระบวนกา ร, รอของการเบียดเบียนก็คือเราอยู่ในองค์ประกอบของการเบียดเบียนน่ะนิการที่หนึ่งทีนี้ถ้าบิดว่าแง่มุมที่ว่าเราตัดสินถูกอยู่นะคือคนนี้เขาผิดจริงๆแล้วเราก็ให้เขาผิดแต่คนนี้ก็ถูกจริงๆเราก็ให้เขาถูกคือผู้พิพากษาเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของการเบียดเบียนคำนี้หมายความว่าย่งไหมายความว่าคุณต้องมีการลงโทษ่ย เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นตัวบทมาอย่างนี้คุณต้องลงทโทษทำให้เขาเดือดร้อนเอ่ใช่ต้องต้องให้เขาเดือดร้อนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเขาอาจจะผิดจริงก็ได้นะหรือเขาอาจจ ะ, ะไม่ผิดจริงแต่ถ้ามีการลงโทษว่าเออคุณติดคุกเท่านี้คุณปรับเท่านี้คุณไปประหารคือเราอยู่ในกระบวนการของการเบียดเบียนเอาสมมติว่าถ้าเราไม่ใช่ภู้พิพากษาแต่เราไม่ใช้ผู้พิพากษานะเอาคิดว่าเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราเขามาถุยน้ํำลายหน้าบ้านเราเราคิดว่ามันชั่ว ไอ้แค่ว่าเราคิดว่ามันชั่วเนี่ยทั้งๆที่มันทำผิดจริงๆใช่ป่ะมาถุดน้ำลาย <c oughs> หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้ความคิดแบบเนี้ยเราเกิดบาปในใจเราไม่ได้เป็นผู้พ<น>ิพากษานะความคิด <c oughs> แบบเนี้ยเราเกิดบาปในใจเพราะอะไรเพราะบาปเนี่ยคือชื่อของความทุกข์นะคือบุญเป็นชื่อของความสุขใช่ไหมบาปคือชื่อ <c oughs> ของความทุกข์บาปคือชื่อของความทุกข์ไอ้จิตที่มีความพยาบาทหรือว่าจิตที่แบบมันไม่ดีเนี่ยมันเป็นบาปที่เกิดขึ้นในใจของเราเป็นบาปที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้เรายังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการมเลยนะ อา้าวเริ่มเข้ากระบวนการยุติธรรมฉันจะไปฟ้องตำรวจตำรวจดูคนนี้สิเนี่ยมันมาถุยน้ำลายหน้าบ้านเออมันมีกฎหมายข้อ น, นี้พอดีเอางั้นฉันจะชงเรื่องฟ้องให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ผู้ที่มาถุยน้ำลายก็รับทราบแล้วใช่ไหม อ, อ้าวอายการสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องใช่ป่ะอายการก็ดูอา้าวคุณทำจริงนี่คุณผิดนี่เอามีการลงโทษแบบนี้นะ่าต้องปรับห้าพันบาทสมมุตินี่นะสมมควรเจ๋งๆนะอา้าวก็ส่งฟ้องถึงศาลใช่ป่ะส่งฟ้องถึงศาลศาลก็ดูตัวบทแล้ว เอานี่คุณต้องถูกปรับห้าพับาทคุณก็อยู่ในกระบวนการของการเบียดเบียนอยู่ตลอดแหละมันมันมันเป็นบาปแน่นอนแต่แต่ตรงนี้คือประเด็นคุณยมเตียวว่ามันจะบาปมากหรือบาปน้อยอยู่ที่ว่าเจตนาตรงนี้อยู่ที่ว่าเจตนาตนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เรากรีดมีดลงบนผิวน้ําจรวดเนี่ยมันหุบเลยแป๊บเดียวแต่ถ้ากรีดออรอยที่ปรากฏอยู่บนผิวน้ําเนี่ยมันแว บ, บเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเรากรีด ข้ามวันเพราะว่าน้ำมันจะมาซ้อไปแต่ถ้าเรากรีดลงบนหินเด้วยซิลหรือควานเนี่ยกรีดลงบนหินรอยนมันจะอยู่เป็นพันปีมัน ต, ตรงนี้ก็เจตนาจะเกี่ยวเนี่ยจะเกี่ยวถ้าอย่างสมมุติเราเดี๋ยวโดนตรงตเต็มเต็มใช่ไหมกับวัถุน้ำลายใส่หน้าบ้านเราเนี่ยแม้มันแคร์มากอันนี้คือบาปนี่ก็มากตามความแคร์ที่เกิดแต่แต่ถ้าคนอื่นเขาเห็นน่ะนี่มันมันก็เกิดขึ้นได้นะเราไม่ได้ไปมีความแคร์อะไร บาปนั้นก็น้อยเหมือนรอยกรีดบนผิวน้ําแต่คุณอยู่ในกระบวนการเบียดเบียนนะคุณอยู่ในกระบวนการเบียดเบียนคุณก็ต้องได้รับผลน้อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเราก็พิจารณาตามตัวบทคุณก็ได้รับแน่นอนน้อยนึงนะทีนี้ว่าประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าแล้วไอ้พวกนี้ถ้าสะสมสะสมไปเนี่ยไปตกนรกได้ไหมนะคือบาปเนี่ยทุกคนสร้างอยู่แล้วนะบุญเนี่ยทุกคนก็สร้างอยู่แล้วต่อให้คุณไม่ได้เป็นผู้พิพากษา แต่คุณเป็นคนเดินถนนธรรมดาทำอาชีพเื่นๆเนี่ยเราคิดไม่ดีเราก็สร้างบาปเราคิดดีเราก็สร้างบุญนะบุญบาปมันสะสมบุญบาปมันสะสมไปแต่จุดที่ว่าเป็นเกณฑ์ขอบเขตที่จะกั้นเอาไว้ไม่ให้คุณไปตกนรกนะเพราะาตกนรกนี่มันไม่ดีแน่ขอบเขตนั้นก็คือศีลขอบเขตก็คือศีลเพะ น, นที่เราควรจะพิจรนารณาในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าบาปหรือบุญหรอกเพราะว่าบาปหรือบุญมันทุกคนมันสร้างอยู่แล้ว ประเด็นที่เราควรจะพิจารณาตรงนี้ก็ว่าเอ๊ะเราจะไปตกนรกไหมจากการที่เราอยู่ในกระบวนการนี้แต่ประเด็นก็ต้องพิจารณาเรื่องของศีลเพราะศีลเนี่ยจะเป็นขอบเขตที่จะทำให้คุณไปตกนรกหรือคุณไม่ตกนรกแต่พระนั้นในประเด็นที่ตั้งแต่แรกที่เราพูดกันมาว่าเอ๊ะถ้าเรารู้ว่าคนนี้ถูกแต่ว่าหลักฐานมันชงมาผิดแล้วคุณต้องทําไปเพราะว่าเพราะว่ามันมันหลักฐานมันมาอย่างนี้แล้วคุณไม่มีทางเลือกอ่ะจะทําไงก็หลักฐานมันมาอย่างนี้ แล้วคุณรู้ใช่ไหมรู้ว่าคนนี้ถูกแต่ว่าต้องตัดสินว่าเขาผิดการกระทําตรงเนี้คือกล่าวเท็จทางๆที่รู้คุณโกหกผิดศีลนะปุ๋ยภาคสานั่นแหละผิดเพราะคุณรู้นี่ว่าคนนี้มันถูกแต่หลักฐานมันเป็นอย่างนี้ก็คุณก็ก็ทำตามหลักฐานใช่ไหมล่ะแต่ว่าคุณก็รู้ว่าเขาถูกแต่ว่าคุณต้องบอกว่าเขาผิดเ่ยเพราะหลักฐานมันเป็นอย่างนี้ก็คุณกล่าวกล่าวเท็จทางดที่รู้คุณก็ทําผิดไงผิดศีลถ้าผิดศีลมีหลายกรณีที่เป็นแบบนี้คุณต้องไปตกนกแน่น แต่ถ้าแค่ครั้งเดียวหรือว่าไม่ได้เป็นปกติกระบวนการยุติธรรมนี่บางทีก็ยุติธรรมนะตำรวจท่านก็ทำงานอย่างดีชงสํานวนอย่างดีอายการก็ไม่ดองเรื่องนะชงขึ้นมาอย่างดีคนถูกคือถูกคนผิดคือผิดแผู้พิพากษาก็ทําไปตามกระบวนการอย่างเป็นปกติอย่างนี้เออเราก็ไม่ไ ป, ปตกนกเราเพราะว่าปกติของเราเป็นอย่างเงี้ยปกติของเราไม่ได้โกหกปกติของเราไม่ได้บิดเบือนไม่ได้กล่าวเท็จตั้งๆที่รู้ ก็ถ้าปกติเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกลัวที่จะไปตกลงรกค่ะอ่างั้นดิฉันสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะอืมก็แม้จะต้องยอมรับว่าเป็นอาชีพที่อยู่ในกระบวนการของการเบียดเบียนใช่ก่อนอื่นถูกไหมคะถูกต้องแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขอให้รู้เถอะว่าไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรเราก็จะอยู่ในวงจรของการที่ทาทั้งบุญทั้งบาปอยู่แล้วแน่นอนเพียงแต่ว่าในการประกอบทุกอาชีพ ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดอกุศลไปจนพาเราไปสู่ที่ไม่ดีที่เรากลัวกันก็คือนรกเนี่ยให้เรารักษาศีลใ<ช>่เพื่อเป็นการป้องกันนะ<ช>เพื่อเพื่อเป็นเกราะป้องกัน<ช>แล้วหากเราทำหน้าที่นั้นอย่างถูกต้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เราก็ไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าในส่วนของสมมติเกิดพลาดพลั้งไปสมมตินะคะ แม้ตอนที่เราตัดสินไปเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะมาบอกว่าเรื่องเนี้ยผิดอืแต่พอทอดเวลาไปนานๆเนีเราก็เสียนไปละปรากฏว่าคนที่เราเคยตัดสินทหารชีวิตสมมตินะคะอื ม, มาพบว่าคดีนี้มันซับซ้อนมากอื ม, มันมีการอำพรางอย่างน้นอย่างนี้ตัดสินผิดไปซะแล้วเขาตายไปแล้วเรียบร้อยมีคนเดือดร้อนจากชีวิตของคนนี้เรารับรู้ การที่เรามีภัสสารรับรู้ในสิ่งเหล่าเนี้ยดิฉันเข้าใจว่าทุกมันเกิดนรกมันก็เกิดในใจถูกไหมคะใช่ดังนั้นเนี่ยอย่างนี้เนะี่ยทำยังไงดีค่ะทา่านคะคือถ้าในกรณีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าสัดส่วนคุณยมถิ่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราเอาเกลือก้อนหนึ่งใช่ไหมอันนี้เราอาจะเคยได้ยินว่าเอามาละลายในน้ําแก้วหนึ่งจิมดูเนี่ยมันจะเค็มแต่ถ้าเอาเกลือก้อนหนึ่งเนี่ยไปละลายในแม่น้ําแต่แม่น้ําจ้าพญาแม่น้ําคงคาแม่น้ำโขงก็ตามเด้อ มันจะรสชาติมันจะขาดความเค็มไมได้มันจะไม่เค็มเลยเพราะาปริมาณน้ําที่มันมากกรรมชั่วเนี่ยใครๆเขก็มีอยู่แล้วอะถ้าเป็นมนุษย์อะนะทํากรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีต่อให้เดินอยู่ในมรรคบางทีมันก็หลุดบ้างเผลอบ้างแต่เวลาที่เรารู้ว่าเฮ้ยฉันทำกรรมชั่วไปแล้วกรรมชั่วนี้ต้องให้ผลแน่นอนอันนี้คุณฟันตรงได้กรรมชั่วนี้จะต้องให้ผลแน่นอนกรรมชั่วจะให้ผลเป็นความเปิดร้อนเป็นความขมเป็นความไม่อร่อยจะได้เหตุผลเป็นความทุกข์ แต่ถ้าพูดง่ายๆก็เปรียบเหมือนเกลือใช่ไหมเกลือเนี่ยถ้าเป็นการกระทรํานะผลของเกลือนี้ก็จะคือความเค็มความเค็มก็คือผลของความชั่วที่เราทําไปแต่ทีนี้เราทําชั่วไปแล้วเนี่ยคุณต้องได้รับผลเป็นความทุกข์เป็นความเค็มทีนี้จะทายัางไงให้ไอ้เกลือที่เราใช้ไปเนี่ยให้มันมีความเค็มน้อยลงคุณก็ต้องเอาน้ำห ม, มากๆจะทำยังไงให้กรรมชั่วที่เราได้เคยทําไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแต่ว่า ม, มันได้กระทรําไปแล้วลนะเวลามันจะให้ผลเนี่ยมันต้องเค็มแน่ ทำไงให้มันให้ผลเบาลงลก็ต้องมีความดีที่มากขึ้นมีน้ํานั่นเองน้ํำนี่แหละคือความดีที่มากๆเพราะฉะนั้นวิธีการแค่ตรงนี้ก็คือว่าคุณก็สร้างน้ํานี่ให้มันมากๆแต่สร้างสารละลายนี้ให้มันมากๆพูดง่ายๆก็คือทําความดีให้มันมากๆแตนะ่ทั้งการให้ทานทั้งการรักษาศีล น, นั่งสมาธิภาวนาอย่าให้ขาดฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะอยู่เรื่อยๆนะให้ตรงนี้มันมากมากๆามากขึ้น ไอ้การกระทําอะไรที่มันไม่ดีอยู่ในกระบวนการของการของการเบียดเบียนที่เราสร้างบาปอยู่ตรงเนี้ผลมันจะเกิดแน่มันก็จะจางลงจางลงตามปริมาณน้ําที่มันมากขึ้นนะสร้างพระสร้างโบสถ์จางไหมคะท่านคะเเป็นการให้ทานในแบบหนึ่งเหมือนกันสร้างเสนาสนะสร้างที่พักสงอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งค่ะแต่ว่าภาวนา นี่แหละทาได้ทุกลมหายใจใช่ใแล้วก็จัดได้ว่าช่วยได้มากที่สุดอย่างหนึ่งด้วยแต่ต้องภาวนาไปจนกระทั่งได้องค์ทำแห่งการตรัสรู้จนถึงปลายทานนั้นเลยไหมคะกรรมถึงจะตามไม่ทันเอ่อถ้าจะพูดก็คือมันจะได้ผลตามที่เราได้ในทุกทุกระยะหมายความว่าถ้าเราทําความดีนั่นก็คือผลิตน้ําขึ้นมาใช่ไหมน้ําถ้าเราผลิตขึ้นมากมันก็ได้ตามผลผลิตได้น้อยก็ได้ตามนั้นก็จะได้ผลได้ผล ที้จนถึงจุดสูงสุดเลยเนี่ยนะคือทิ้งพวกนี้หมดเลยคือมันจะสิ้นไปเลยนะพวกอย่างกรรมที่ได้ทํามาเนี่ยมันมันจะไม่สามารถให้ผลได้นะนะเพราะเหตุแห่งการที่จะไม่ได้รับผลนั้นเราได้ทําแล้วนะนะพูดง่ายๆก็คือการสิ้นกรรมนั่นเองนะค่ะงั้นจะว่าไปเนี่ยก็เท่ากับว่าตอบคําถามคุณพานุมาตรในช่วงสุดท้ายในช่วงท้ายๆของคําถามนะคะว่าหากเป็นการสร้างกรรมจะมีวิธีแก้อย่างไรอื ก็แนวทาง น, นี้แหละใช่เลยดิฉันกําลังจะบอกว่าคุณพานุมาตรไม่ต้องสงสัยแล้วถ้าคุณพานุมาตรตั้งคําถามให้กับตัวเองอย่างนี้เนี่ยถ้าสามารถทําให้คุณพานุมาตรได้เป็นผู้พิพากษาได้ดิฉันจะรีบทําให้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการผู้พิพากษาอ่าที่มีความคิดแบบเนี้ยนะคะอแล้วดิวฉันคิดว่าในแวดวงผู้พิพากษาเองก็คงต้องการคนทํางานแบบนี้เหมือนกันที่ไปแล้วจะไปอํานวยความ ยุติธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะใช่จริงๆแล้วงานของผู้พิพากษาอย่างหนึ่งนะคุณโยมติว๋วคือ ค, คือนอกจากขึ้นบันลังเนี่ยก่อนที่จะขึ้นบันลังเนี่ยก่อนที่ท่านผู้พิพากษาจะขึ้นบันลังเนี่ยต้องทำการไกล่เกลี่ยซะก่อนนะคือคไม่ใช่ว่าให้จบด้วยการว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าไกลเกลี่ยกันซะก่อนนะทําไมมีคดีความกันเขาจะไกล่เกลี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะใช้ธรรมมาได้มากเลยจะใช้ธรรมมาได้มากเลยตรงนี้ให้เขายอมความกันในระดับในระดับไหน โดยที่ไม่ต้องไปพิจารณาตรงนั้นข้ามขั้นตอนนี้ไปคดีความก็จะจบเร็วทุกคนก็จะมีแฮปปี้กันวินวินทั้งสองฝ่ายนี่เป็นงานของวิพากษาเป็นหลักทําไหนนะคะพระพุทธองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องไกลเกลี่ยอย่างไรเผื่อว่าคุณพานุมาจะได้ยึดเอาไว้ไปเป็นแนวทางที่ไปบอกเพื่อนฝูงที่ทํางานด้วยกันอืด้วยตรงนี้คือการไม่เบียดเบียนไงหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการไม่เบียดเบียนคือไม่ใช่ว่าเราคิดว่าฉันเสียคิดว่าเธอได้ งันฉันจะต้องได้เธอจะต้องเสียไม่ใช่อย่างนั้นแต่ละการของการไม่เบียดเบียนเนี่ยคือวินวินทั้งคู่คือทั้งสองส่วนเนี่ยชนะนั่นคือพอใจกันทั้งสองฝ่ายน่นยอมความกันที่ตรงนี้อย่าไปคิดว่าใครได้ใครเสียเพราะถ้าไปถึงจุดที่ว่าสายพิพากษาเคาะไม้ตูมเนี่ยอันนี้คือมันต้องมีคนได้มันต้องมีคนเสียละแม้ว่าคนได้คนเสียเนี่ยเขาจะถูกจริงหรือผิดจริงไม่รู้แต่มันมีได้มีเสียแต่ถ้าผมว่าเรามีการไกล่เกลี่ย น, นี่มันก็ชนะทั้งคู่แต่ละการตรงนี้คือการไม่เบียดเบียน และการตรงนี้คือความอดทนคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือการโอบเป้ามารีเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วค่ะนี่นึกถึงหนังไทยหนังจีนนะคะที่แค้นต้องชำระเนี่ยดิฉันอ่าคิดว่ามันคงจะมีหลายกรณีเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าศาลสูงจะตัดสินเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกคนต้องยอมรับไปแล้วเพราะว่าท่านเป็นศาลสูงแต่ศาลเตี้ยนะี่ยไม่ยอมรับทําใจไม่ได้เพราะมันมีผู้แพ้มีผู้ชนะ ดังนั้นแนวทางในทางธรรมเนี่ยนะคะเพื่อจะให้ไม่มีการเบียดเบียนกันอย่างที่ท่านเปี่ยบูลได้พูดหรือเรื่องการผูกเวรใช่ไหมคะใช่มีพุทธพจน์เรื่องผูกเวรท่านพอจะจําได้ไหมคะที่ฉันอยากฟังทั้งภผ่เกะแล้วก็ทั้งได้สาระที่ดีมากอพระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีการก็เรียกว่าบริการของจิตที่จะทําให้ไม่<ช>มีการผูกเวรนั่นคือถ้าจิตของเรามีความขุ่นมัวเพราะเห็นหน้าคนนี้เนี่ยแหมมันมาถุยน้ําลายหน้าบ้านฉัน มันคิดอะไรมันก็เคืองทุกทีน่นะคิดอะไรก็คเคืองทุกทีแบบนี้คือการผูกเวรน่ะนะี่คือการผูกเวรนะเราจะทํายังไงไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันมีการผูกเวรให้มันคลายไปนะหนึ่งในวิธีนั้นนะี่คือมีอยู่5วิธีด้วยกันอา่ามีอยู่5องค์ประกอบด้วยกันนะองค์ประกอบอย่างแรกก็คือเรื่องของทานนะั่คุณต้องให้ทานองค์ประกอบที่2คุณต้องทําความเพียรนะมีการทําจริงแน่แน่จริงในการที่จะละสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลทาสิ่งที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นองค์นะประกอบที่3คือการสวดมนต์ และการเอาคำของบุปผามาสาธยายมาท่องบทอันนี้ช่วยได้นั้นที่สี่คือการประพฤติพรหมจรรย์อันที่สี่การประพฤติพรหมจรรย์เช่นมาปฏิบัติธรรมบ้างรักษาศีลแปดบ้างถวันพระบ้างหรือปีหนึ่งมาสักเจ็ดวันสิบวันอันนี้จะช่วยได้เป็นองประกอบคือบริการของจิตที่จะทำให้ไม่มีการผูกเวรเรื่องนี้เราบางทีเอาไปสอนกับลูกความหรือว่าผู้ที่เขามีคดีความกันก็ได้ค่ะ เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเชิญคิดว่าหลักธรรมเนี่ยท่านพูดทวนได้อีกแปดครั้งเลยนะคะเพราะาดูเหมือนกับสังคมไทยเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยการผูกเวรกันทั้งค่ะแล้วก็อี ก, อ ก, อกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการตัดสินคดีความเนี่ยถ้าเราไปอ่านในอักขัญยสูตรหรือว่าพระสูตรที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการกําเนิดของโลกเนี่ยนะโลกของเราเนี่ยมีการกําเนิดมาเป็นยังไงตอนแรกคนก็ไม่ได้ทําอกุศลแระทกันแต่พอเริ่มมีอกุศลธรรมแล้วเนี่ยจึงต้องมีผู้ที่ตัดสินคดีความในตรงนี้อ เริ่มกันมาตรงนี้ทีนี้ผู้ที่ตัดสินคดีความตรงนั้นเนี่ยท่านตัดสินคดีความจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการที่ปกครองโดยธรรมโดยการปกครองโดยธรรมสมมติคือจะป้องกันตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ว่าให้คนเริ่มมีการขโมยก่อนไม่ใช่เราจะป้องกันตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่มีทรัพย์แต่คนที่ไม่มีทรัพย์ก็จะบริหารจัดการให้เขามีทรัพย์มาให้ทรัพย์เข้าไปเขาก็จะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการขโมยคือดับไฟตั้งแต่ต้นลม คือวิทย์ศาสตรนี่คือมันมาท้ายท้ายลมแนละมันต้องไปตั้งแต่ก่อนตารวจด้วยซ้าตำรวจนี่คือตามจับภายหลังใช่ไหมเหตการณนี่มาโฉมเรื่องนี่คือภายหลังหมดแล้วแต่ตั้งแต่ก่อนที่อาุโสธรรมมันจะเกิดขึ้นตอนนั้นคือการบริหารการจัดการที่เป็นการปกครองไปโดยธรรมแต่ซึ่งในสมัยมนุษย์ยุคแรกๆ เ, เขาก็ทํากันให้นดีกันมาใช่ไหมพอเกิดพลาดในยุคหนึ่งมันก็พลาดตามๆ ต, ต, ตามลงมาเรื่อยละ่ะจนถึงสมัยปัจจุบนะันน่ยก็เป็นอย่างนี้หละ ค่ะที่ท่านได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ที่เป็นพระสูตตั้งแต่สมัยยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ารืเป<อ>ล่าคะใช่ใ ช, ใชที่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นบุโรหิตคือผู้ที่ให้คําปรึกษาของพระเจ้ามหาวิชิตรราชแต่พระเจ้ามหาวิชิตรราชเนี่ยจะทําการปกครองโดยธรรมแล้วก็บุโรหิตคนนี้ก็คือพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์ก็ให้คําแนะนําว่าเอาอย่าให้มีขโมยทยํายังไงถึงจะไม่ให้มีขโมยถ้าเปิดไปฆ่าขโมย ขโมยเขาก็จะมีคนที่รักเขาก็จะมาฆ่าต่อจะเบียดเบียนแ่นแกว้ขวงของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นก็ทําการบริหารปกครองโดยธรรมโดยให้ทรัพย์กับคนที่ไม่มีเงินหรือคนไหนที่เท้าทำดียิ่งให้ทรัพย์เขามากเอาคนที่เป็นเกษตรกรทําความดีก็ยิ่งให้ผลิตผลมากคนที่เขาเห็นว่าเอา้าไอ้คุณทําความดีคุณได้ดีไว้เงินฉนันจะทําความชั่วทําไมก็เปลี่ยนจากการที่จะไปปล้นฆ่าอะไรต่างก็มาทําความดีเขาก็ได้รับผลดีกันไปอย่างเงี้ย คือสนับสนุนคนดีให้ได้ดีนนในทีการปกครองโดยธรรมเพราะฉะสมัยนั้นไม่ต้อง<ะ>มีผู้พิพากษาไม่ต้องพูดถึงผู้พิพากษาไออาการก็ตกงานด้วยตำรวจก็ไม่มีสามารถที่จะเอาลูกเนี่ยมาเต้นฟ้อนอยู่บนอกนอนกลางคืนไม่ต้องปิดประตูก็อย่างได้สมัยนั้น<ะ>เป็นอย่างนั้นแต่ฉันประทับใจนะครับพระสูตรนั้นถ้าหากว่าในการปกครองในยุคปัจจุบันเนี่ยคํานึงถึงเรื่องเหล่านี้ก็ดีนะคะเหมือนกับว่ารู้ว่าชาวนาเข้า มีฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็สนับสนุนเขาด้วยการให้น้ำเขาให้วัตถุดิบในการผลิตใช่ไหมคะใช่แล้วก็ถ้าเป็นพ่อค้าวานิชเขาอาจจะจำเป็นต้องอาศัยเงินทุนหรือว่าอย่าเรียกเก็บภาษีเขาสูงอะไรอย่เงี้ยที่ฉันจำได้ทำนองนี้ถูกไหมคะใช่ๆช่ข้าราชการก็อุดหนุนไปในเรื่องของเพิ่มเงินเดือนให้เขาเป็นต้นอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวแต่ประมาณนี้นแล้วเคยอ่านหนังสือที่ อ่าได้พูดถึงหลักพุทธในการในรัฐศาสตร์อ่าในองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์อ่าท่านผู้ฟังก็อาจจะสามารถหาอ่านได้ประเภทรัฐศาสตร์เชิงพุทธอะไรอย่างเงี้ยนคะคะเคท่านคะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะที่บอกว่าในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระ ง, งับด้วยการผูกเวรเลยเนี่ยใช่พุทธวจนะไหมคะใช่ใช่นนี้เป็นพุทธวจนะนะแต่ระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร น, น, นี้เป็นทำเก่าค่ะอันนี้เป็นพุทธพจน์่ด้วยอืม นะคะในสังคมยุคปัจจุบันเราอาจจะเห็นการจองเวรการผูกเวกรกันอยู่ในทุกระดับเลยเราก็เผยแผ่ผู้ทวจนะอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆว่าขนาดพุทธิปัญญานะปัญญาระดับศาสดาของโลกพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านยังสรรเสริญการไม่ผูกเวรทําอย่างไรจึงจะทําให้สังคมสังคมนี้เป็นสังคมที่ไม่ผูกเวรดิฉันคิดว่าทําให้คลี่คลายขึ้นได้ แต่เท่าที่ดูบรรยากาศเนี่ยหลายๆอย่างนะคะดูเหมือนกับว่ามันไม่คลี่คลายมันจะผูกกันแน่นมากขึ้นมากขึ้นอยากลับเรียนถามท่านนิยางหนึ่งค่ะเวลาเราดูโทรทัศน์เดี๋ยวนี้นสื่อเยอะไปหมดเลยเยยเชิญคู่กรณีมาถามเอาความเป็นจริงว่าที่ท่านว่าของท่านถูกเป็นยังไงอีกฝ่ายหนึ่งว่าของท่านถูกเป็นยังไงก็มาเถียงกันหน้าจอ <laughs> เราก็เป็นมนุษย์มีผัสสะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรคะมีประสบการณ์ต่างๆ อือฮะเราก็เพลิเพลไปถือหางข้างที่เรารู้สึกว่ า, าความเหงื่สอดคล้องกับเราเหมือนกันอืแล้วถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งรุนแรงมาเราก็มีการาพูดไม่เพราะบ้างอออาการบ้างนะอือกอาการบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าตกนรกเป็นความทุกข์เป็นความเบียดเบียนอย่างที่ท่านได้พูดไปในตอนต้นๆของรายการไหมคะเป็นบาปแน่นอนเป็นบาปจิตใจเราก็ขุนมัวงไงเราก็อย่าไปดูผัสสะประเภทนั้น บางทีเราแชียกันเลยนะคะสองฝั่งนั่งทานข้าวด้วยกันนี่แหละนี่แหละจึงเป็นสีนของพระแบบหนึ่งไงที่ไม่ให้ดูการเล่นชนิดที่แบ่งเป็นสองฝ่ายก็ไม่ให้ดูเพราะว่ามันจะแบแบ่งขั้วกันอ่ะไม่ใช่อย่าไปดูอย่างนั้นนะพระจะมีศีนข้อนี้อยู่ค่ะก็เท่ากับว่าถ้าหากอยู่ในห่วงเวลาของการประพฤติพรหมจรรย์หรือในชีวิตท่านถ้าอยากจะเจริญในธรรมละเวรละกรรมไม่สร้างใหม่เนี่ย ต้องพยายามอย่าดูอะไรที่เป็นการแข่งขันกับสองฝ่ายเนี่ยค่ะใช่ใช่อย่าไปดูอย่างนั้นเราก็จ ะ, จะเจริญในธรรมะได้นี่เฉยพรค่ะวันนี้ก็ได้เนื้อหายเยอะเลยนะคะจากคําคถามของคุณพานุมาตรู้ฟังคะวันนี้ใช้เวลากับมาเต็มเหยียดเราต้องกราบนรรมัสการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะ น, นรรมัสการคะ่ะ ท่านฟังที่ครบท่าแล้วก็รายการของเราเลคะจะจกลับมาพบกับท่านฟังกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 แห่งนี้ดิฉันสันสนีนาคพง์นะคะดำเนินรายการกับพระมหาภัยบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีลาท่านแต่เพียง เ, เท่านี้ค่ะผูทว่์สวัสดีค่ะ